เรายังไม่รู้ทางออกจากทุกข์ดังนั้นเน่เราจะต้องมาฝึกกายวาจาใจนี่ให้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นนิยานิการธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ภัยไปได้จริงๆ คนเราเกิดมาในโลกนี้ผู้ใดรู้จักทุกผู้นั้นถือว่าเป็นผู้มีบารมีเก่กล้าพอสมควรผู้ใดยังไม่รู้จักชีวิตนี้ประกอบไปด้วยทุกไม่คิดอยากจะหาทางทนจากทุกอันนี้ผู้นั้นถือว่าบุญบารมียังน้อยอยู่ บุญบารมียังไม่แก่พอ <c oughs> เป็นอันว่าชีวิตของคนเรานี่นะมันมีบุญระบาปเป็นเครื่องบันดาลให้เป็นไปถ้าผูใ้ใดสะสมบาปไปมากในใจบาปมันก็บันดาลให้อยากทำแต่ความชั่วนั่นแหละถ้าผูใ้ใด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 เบื่อนายในความเป็นอยู่ในโลกนี้เห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยภัยที่บตดอันตรายเต็มไปด้วยสิ่งที่ยัว่วยวนชวนให้หลงชวนให้เมาชวนให้จมอยู่ในทุกนี้ <c oughs> ในเรื่องอย่างนี้นี่มันขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมีของบุคคล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 ไม่ทันกันบางคนก็คิดสั่งสมบุญกุศลมาแต่นานแล้วก็มีบางคนก็เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มมีศรัทธาสั่งสมบุญกุศลมาไม่กี่ชาตินี้ก็มีอย่าง น, นี้แหละแบบที่ ท่านกล่าวไว้ว่าน้ำไหลไม่ทันกันดังนั้นเราจะไปคอยให้คนหลายๆจำนวนมากมาสนใจในศิลธรรมแล้วเราจึงจะสนใจอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าปุถิของแต่และบุคคลนั้นยิ่งหย่อนกลัวกันไม่เหมือนกัน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 ตัวเกิดทีหลังก็ไปทีหลังอันนี้ท่านใดก็อย่างนั้นแหละท่านผู้ใดเป็นผู้สร้างบุญบา ร, รมีมาเต็มแล้วท่านก่อดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องมาวกเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้อีกผู้ใดยัง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 สุปรานาลีกิลาบัตสารพัดตั้งแต่สิ่งล่อใจในโลกนี้ที่เัาที่มีผู้ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาหลอกคนผู้ยังโง่เขาอยู่ให้หลงไปตามเงินทองหามาได้เท่าไรก็ไม่เหลือไม่พอใช้พอจ่ายเงินเดือนเป็นหมื่นๆก็ไม่พอจ่ายก็มี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 ให้รู้ให้เห็นในเมื่อเราสงบจิตลงได้แล้วโดยที่เจริญอาณาปา น, นาสติดังที่แนะนำมาแล้วแต่เบื้องต้นนั่นแหละหวังว่าก็คงเข้าใจกันวิธีสํารวมจิตยนะิึงไม่ได้ปารกเท่าไรนะักก็เมื่อ ผู้ใดสกงบกจิตได้รู้จักคมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ได้แล้วเมื่อก็พิจารณาเห็นโทษของความเพลิดเพลินโมเมาต่างๆก็จะมองเห็นว่าเป็นแต่สิ่งมายาเท่านั้นไม่มองเห็นว่าเป็นเรื่องสำหรับสำคัญที่จะนำชีวิตของตนให้ มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้พูดพูดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกเป็นเรื่องอธิเลขไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นต่อชีวิตถ้าว่าในทางทำแล้วสิ่งที่มันจำเป็นต่อชีวิตจริงๆก็คือการแสวงหาความสงบนี่อันนี้น้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต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 หรือว่าสุขปัสจากอามิตรคือกิเลสพูดกันตรงไปตรงมาอันนีรามิสสุขนี้นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็ น, นต้นทรงปรารถนาต้องการดังจะเห็นได้ตอนที่พระองค์เสด็จออกไปบวชนั่นเอง นั่นก็แสดงว่าพระ อ, องค์ไปแสวงหาความสุขอันไม่เจืออยู่ด้วยกิเลสสุขที่เจืออยู่ด้วยกิเลสนั้นพระ อ, องค์ได้รับมาแล้วในราชสมบัตินั่นอะไรอะไรก็ไม่ขาดแคลนลมบณ์บริบูรณ์ทั้งนั้นโรคเสียงกลิ่นรสเครื่องทัมบัดไม่แต่ของดีดีม่แต่ของหน้าเริ่งเลิงบันเทิงใจ แต่แล้ววิสัยของผู้มีบุญญาบารมียนแก่กล้าแล้วมันก็โดนบันดาลให้เกิดความรู้ความเห็นสูงขึ้นไปกว่านั้นบนี้ก็มองเห็นว่าสิ่งที่อำนวยความสุขให้อยู่ในปัจจุบันนี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอันพัดผาจากกันไปร่างกายที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่ก็ไม่เที่ยง รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เป็นสิ่งแวดล้อมต่อร่างกายอันนี้อยู่นี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกลับไปเป็นธรรมดา <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนี้เนะี่ยบุคคลผู้มาเกิดมาแล้วมาพบแต่ของไม่เที่ยงเอยืยงนี้ก็ต้องมาพบกับความทุกข์ความผิดหวัง อยู่อย่างนี้ทางที่ให้เกิดความสุขอันไม่ต้องผิดหวังคงมีกับมัง่งแต่ว่าการที่เราจะมาแสวงหาความสุขอยู่ในพระราชาวังนี่นั้นคงจะไม่พบแน่หมายถึงความสุขอันไม่ต้องยิงอาศัยสิ่งใดทั้งหมดดังนั้นจําเป็นที่เราจะต้องเสด็จหนีออกจากพระวพระราชาวังนี้ ไปบวชไปแสวงหาความสุขอันไม่ต้องจริงอาศัยวัตถุสิ่งใดใในโลกให้ได้ต้องมีแน่พระองค์เจ้าถึงเกิดอุปมาขึ้นในใจว่าเมื่อมีร้อนแล้วก็ต้องมีเย็นแกเมื่อมีมืดแล้วก็ต้องมีสว่างแกเมื่อมีบาปแล้วก็มีบุญแก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 ทำตัวเป็นคนผู้เดียวพยยามแสวงหาทางตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณอยู่นั่นถึงหกปีปีที่หกนี้แหละจึงได้พบทางในระยะหลังๆคืนไปนั่นทรงทรมานพระ อ, องค์จนสูบจนผอมก็ไม่ได้ตัดสู้ เมื่อพระองค์จะได้ตรัสรู้ก็เพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานถึงบุญบารมีที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาบุญญาบารมีนั้นจึงมาแสดงนิมิตให้พระองค์ได้รู้บรรดาให้เกิดเป็นพินสามสายขึ้นสายที่หนึ่งนั้นยาวเกินไปดีดเข้าก็ไม่ดังบัดนี้ดังก็ไม่ใครล้อ สายที่สองนั้นเคร่งเกินไปพอดีดเข้าไปก็ขาดสายที่สามนั้นไม่เคร่งไม่ยานเกินไปพอดีดเข้าไปมันก็ดังไพเราะเพราะพิ่งดีเป็นเหตุให้พระองค์ได้ทรงระลึกได้ว่าหนทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธียา น, นีต้องเป็นสายกลางแน่นอน อันสายพินที่ยานเกินไปนั่นเปรียบได้กับบคุคคลผู้ยังผัวพันอยู่ในการมมาสุขสมบัติต่างๆถือแม่กายจะาพาคออกมาแล้วแต่ใจก็ยังผูกพันอยู่ย่อมไม่สามารถจะตัดสู้ได้อันสายที่สองนั้นอุปมาเหมือนอย่างพระองค์นั้นทำทุกรกิริยา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 รับประทานพอประมาณนอนพอประมาณพูดพอประมาณทําการงานอะไรก็พอประมาณไม่ให้เกินขอบเขตคิดอะไรก็พอประมาณอันนี้คงจะเป็นหนทางตัดสุสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนทรงกําหนดได้อย่างนี้แล้ว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 การเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่มันทำให้ใจสงบลงได้เร็วแต่ถึงยังไงก็ดีไอ้พวกที่ทำมันยังไม่มากพอมันก็เป็นธรรมดาอยู่เองเลยสติก็ยังไม่เข้มแข็งสมาธิก็ยังไม่เข้มแข็งความอดทนก็ยังมีน้อยอยู่อย่างนี้เราจะให้ การเจริญอนาปานสตินี่มันได้ผลรวดเร็วมันคงเป็นไปไม่ได้เราต้องอาศัยภาคเพียนพยายามไปเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงยืนยันแล้วนี่ไม่มีผิดแหละแต่ผูใ้ใดทำไปไม่ท้อไม่ถอยต้องได้บรรลุผลตามเป้าหมายจริงๆคือในขั้นแรกนี่ก็จะทำใจให้สงบลงได้แหละ หมายความว่าเมื่อเราทำไปไม่ท้อไม่ถอยมันจะทำใจให้สงบอยู่ได้นานทีแรกนี่ก็สงบไปหน่อยหนึ่งมันก็พลิกไปอพอพลิกไปก็ตั้งสติไหมอนั้นเนี่ยไปไปถ้ามันเผลอไปก็ตั้งสติเ่งลมหายใจไหมนานไปสติมัน แต่กล้าเข้าไปความเผลอมันก็น้อยลงความไม่เผลอมันก็มากขึ้นนี่รวมความแล้วเรียก ว, ว่าการเจริญสมถะและวิปัสสนานี่ขึ้นอยู่กับสติสัมปชัญญะนี่สําคัญมากทีเดียวเป็นธรรมมีอุปการะแก่สมถะและวิปัสสนาจะขาดไม่ได้เลยสติสัมปชัญญะนี่ ถ้าขาดสติสัมปชัญญะนี้แล้วคนเราอย่าว่าแต่มาเจริญสมถะและวิปัสสนาเท่านี้แม้จะทำธุระกางงานอย่างอื่นก็ไม่สำเร็จได้ยอมขาดตกบกพร่องไปแน่นอนทีเดียวเป็นอ่งนเพราะฉะนั้นน่จึงว่าเรื่องสติสัมปชัญญะนี้ต้องฝึกให้เข้มงวดกวดขันเลยทีเดียว ทำยังไงฝึกสติสมาธิเนี่ยก็หัดจรึกเข้ามาหากายหาใจนี่ให้มันได้ถี่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มากาหนดรู้ความเคลื่อนไหวของอิริยาบถเนี่ยอย่างว่าเรายืนอยู่เนี่ยกาหนดรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้อย่างนี้นะ เดินไปก็กําหนดรู้ว่ากำลังเดินไปอยู่นั่งลงไปอย่างนี้ก็กําหนดรู้ว่ากําลังนั่งอยู่นอนลงไปก็กําหนดรู้ว่ากาลังนอนอยู่ในอริยาบทนอน <c oughs> นี่เราเรากําหนดระลึกถึงกายถึงใจอันนี้มันได้ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามธรรมดาคนเรานี่มันมักจะลืมตัวไปเป็นระยะระยะไปโดยไม่รู้ตัวนี่นะตัวเดินไปอยู่ก็ไม่รู้ตัวมัวแต่คิดเพลินไปในเรื่องอื่นโน่มในเรื่องที่ไม่เป็นสาระแกนสารนั่นแหละนานๆจึงรู้ตัวขึ้นมาจะนิ่ง จิตมันเราเพลินไปพลังแล้ววันนี้จะโน้มน้าวเข้ามาให้มันสงบลงมันยากเป็นทนนะถ้าปล่อยให้มันคิดเพลินมากๆเข้าไปแล้วดังนั้นเราจึงมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังอย่าให้มันเพลินน่ะอย่าให้มันคิดเพลินไปโดยไม่มีเหตุจําเป็นเราเราจํากัดความคิดแต่เรื่องจําเป็นเท่านั้นจําเป็นต่อหน้าที่การงาน ถ้าไม่ไม่ใช่หน้าที่การงานแล้วเราจะควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ mm hmm. ถ้ามันจะเผลอคิดไปในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เตือนไอ้เรื่องนั้นไม่มีสาละประโยชน์อะไระคิดไปทำไมอ่ะคิดไปแล้วก็ไม่ยดกไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ได้ทำใจพุ่งซ่านนำคาญต่อเป่า ก็ต้องเตือนตอนเข้าไปอย่างนี้ประกอบด้วยจิตนี้เมื่อได้ถูกตักเตือนเข้าไปมันก็ตื่นตัวได้เออจริงเรื่องนั้นไม่เป็นประโยชน์จนระิงเนี่พอมันรู้ตัวอันนี้มันก็มันก็คลายออกแล้่มันก็วางมันก็ไม่ยึดเอาไว้เมื่อมันไม่ยึดเอาไว้แล้วมันก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นต่อไปจิตก็สงบอยู่ตามเดิม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 สุขอิงอาศัยวัตถุสิ่งของหนึ่งสุขไม่ส่องอิงอาศัยสิ่งใดหนึ่งสุขที่อิงอาศัยสิ่งของนั้นคันพอเมื่อเวลามีสิ่งของอนนั้นให้บริโภคใช้สอยอยู่ก็เป็นสุขไปแต่ถ้าสิ่งของนั้นหมดไปสิ้นไปแล้วความสุขนั้นมันก็หมดไปตามกันเหตุ น, นั้นท่านยิงเรียกว่าสุขชั่วคราวสุขพอประมาณ ส่วการที่มาทําใจให้สงบลงไปแล้วมาเจริญปัญญาพิจารณาหเห็นอัตภาพร่างกายหรือว่าขันธ์ห้าอนิเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของของเขาเป็นแต่สภาวธรรมอาศัยกันอยู่เมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้ว ขั้นสี่ขันห้านี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทําลายไปเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรถือมั่นว่าเป็นของเราปัญญามันเกิดขึ้นแล้วสอนจิตอย่างนี้เรื่อยไปพอจิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ปล่อยวางขันห่านี้ลงถ้าปล่อยวางขันห่านี้ได้จริงจิตก็รวมลงเป็นหนึ่ง พร้อมด้วยงานความรู้งานความรู้รู้ว่าจิตของตอนไม่ยึดถืออะไรไม่เกาะไม่คล้องกับสิ่งใดมีแต่งานความรู้กับส ต, ติออตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ยึดถือในเรื่องที่เป็นอดีตล่วงมาแล้ว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 นี่เรากาหนดรู้ขันห้าอันเป็นปัจจุบันนี่ให้เห็นแจ่มแจ้งแล้วมันก็หายสงสัยในขันห้าที่เป็นอดีตอนาคตดังกล่าวานั้นเมื่อมันหายสงสัยอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่สเสยทยานอยากจะได้ขันห้านี้อีกเพราะว่าขันห้าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็ลาบากเต็มทีอยู่แล้ว พอมีขันหน้าอันนี้มาแล้วก็ต้องหาเลี้ยงมันต้องแสวงหาปัจจัยสี่มาบำรุงบำเรมมันจึนเงเป็นอยู่ได้อันนี้แหละการที่ผู้คนมาเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วจิตรวมลงเป็นหนึ่งไม่ถือมั่นอะไรนั่นท่านเรียกว่านิรามิสสุขสุขไม่อิงอาศัยวัตถุสิ่งของใดในโลก ดังนั้นอาศัยปัญญานี่แหละสายเหตุที่เราจะรักษาความสุขอย่างว่านี่ให้สม่เสมอไปได้ปัญญามาพิจรารณาดูขันห้านี่มันเป็นอยู่แสนยากแสนลำบากต้องแสวงหาข้าวน้ำพอชนะอาหารมาเลี้ยงมันบำรุงมันไว้ทุกวัน ต้องแสวงหาผ้านุ่งผ้าห่มมานุ่งห่มเพื่อป้องกันความหนาวร้อนเหลือบยุงลิ้นสัตว์มีพิษต่างๆอะไรพวกนี้และต้องแสวงหาเงินทองมาสร้างบ้านสร้างเรือนให้ขันห้าได้อาศัยป้องกันลมแดดฝน สัตว์ร้ต่างต่างมือเนี่ย <c oughs> ต้องแสวงหาผ้านุ่งผ้าหม่มมาปกปิดแล้วก็แสวงหาหยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเวลาโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยยุกยารักษามีการแสวงหาปัจจัยทั้งสี่นี่ มันย่อมแสนยากแสนลําบากถ้าใครมีบุญน้อยนวะก็ยิ่งแสนลําบากหาได้ยากเต็มทนผู้ใดได้สั่สมบุญกุศลมาแต่ก่อนมากกอยังตัวหน่อยหาไม่ยากอันนั้นนะบุญเก่าโ น, น, น่นมันมาหนูนทองทำมาค่าขายไม่ขอที่จะรวยก็รวยไปได้ทํานาทําสวน ไม่สมควรจะได้มากได้ผลมากมายมันก็ได้บุญช่วยอะไรอะไรก็ได้มาอย่างง่ายได้อต่อย่างนี้คนชั่วน้อย น, น, นะไม่ทุกข์หลายสำหรับคนมีบุญน้อยแล้วเราบอเป็นทุกข์หลายเพราะฉะนั้นแหละถึถงแม้ว่า ใดที่ภาวนายังไม่เก่งไม่สามารถที่จะปรงวางขันห้านี้ได้โดยเด็ดขาดในชาติปัจจุบันนี้เมื่อมาพิจารณาเห็นโดยปัญญาว่าขันหานี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงมันก็ไม่ใช่ให้มีกำลังวางชาพอที่จะใช้มันทำกุศลคุณงามความดีได้อยู่การที่เรา ได้ขันห้ามาในชาตินี้นั่นไม่สมบูรณ์โูนสกเท่าที่ควรหรือว่าไม่ไม่มีปัจจัยมาอุปธรรมบำุงขันห้านี่อย่างพุ่มเฟื่อยก็เพราะว่าแต่ชาติก่อนนั้นจนมัวเมาประมาเทเพลิดเพลินไปแต่ในการ ม, มะุณไม่ค่อยได้ทำบุญกุศลอะไรมากมายเดี๋ยวฉะนั้นเกิดมาชาตินี้ ก็จึงมีความสุขตามน้อยมีปัจจัยเครื่องอาศัยแต่น้อยไม่มากไม่เหลือใช้ไม่เหลือจ่ายเมื่อมาคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ไม่ประมาทปะนีะ้ผู้นั้นก็พยายามสั่งสมกุศลคุณงามความดีให้มากขึ้นในตนทุกวันทุกคืนไปเอา้าทำอย่างไร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 การสั่งสมบุญกุศลไม่ใช่มีแตเพียงว่าให้วัตถุเข้าของเงินทองเป็นทานเท่านั้นการที่เราประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจนี่นี่เป็นการสั่งสมบุญกุศลอย่างสูงอ่ะตอนนั้นขออย่าได้ลืมผู้ใดก็ดกีเราไม่ทำความชั่วไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมีแต่คิดเกื้อกูลช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ให้อยู่เย็นเป็นสุขไปเท่าที่จะทำได้ออความประพฤติอันใดเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วเราทำลงไปเลยในเมื่อกำลังกายมีอยู่ออการกระทำจริงใดถ้ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมเข้าไปแล้วอย่างนี้เราก็ทำลงไปเต็มความสามารถมมรีมันก็เป็นการสั่งสมบุญกุศลทั้งนั้นเลย และหนำไม่ซ้ำการมาภาวนาสมาธินี่การฝึกฝนจิตใจให้สงบระงับลงพยายามใช้ขันติความอดความทนคามจิตที่มันพุ่งซ่านเลื่อนลอยอะไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรนี่ให้มันค่อยสงบลงทีละน้อยละน้อยไป เมื่อทํำไม่ท้อไม่ถอยนานเข้าจิตนี่มันก็สงบลงตั้งมั่นลงไปได้อันนี้ยิ่งเป็นการสั่งสมบุญกุศลได้มากเนี่ยสั่งสมบุญกุศลอย่างสูงนี่นะการสั่งสมบุญกุศลเนะี่ยว่าแต่ขอให้มีกําลังร่างกายนี่มีเรียลแรงเป็นปกติอยู่นี่ผู้ผู้เข้าใจแนวทางสั่งสมบุญกุศลดังกล่าวมานี่แล้ว ผู้นั้นจะได้สั่งสมบุญกุศลได้มากทีเดียวนะจะเป็นครหัขัดก็ตามเป็นนักปวดก็ตามก็จะได้สั่งสมบุญกุศลได้มากทีเดียวหละไม่ใช่อย่างอื่นใดนะการสร้างบารมีนี่นะขอแต่ให้มีกายมีวาจามีดวงใจอันเป็นมนุษย์นี่มาเถึดให้คิดดู ท่านพูดได้ตัดสัรู้เป็นบุปผาเจ้าก็ดีเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ดีหรือว่าเป็นพระเจ้าจากพระดิราชผู้มีบุญวาสนาอันเป็นส่วนโลกีมากมายเหนือมนุษย์ก็ดีกระลวนดังจะเกิดมาเป็นคนนี้ทั้งนั้นเลยมาสร้างบุญบา ร, รมีมาในสงสารหลายชาติหลายภพ กลัวว่าบุญบารมีมันจะเข้าขั้นให้ได้บรรลุความมุ่งหมายอันนั้นนะกระลวนแต่มาเกิดเป็นคนในโลกมีทั้งนั้นเลยตามประวัติที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ดังที่พระเจ้าห้าร้อยชาติอะไรที่ในตำราท่านกล่าวไว้หมุนั้นหมายความว่าพระเจ้าห้าร้อยชาตินี่ท่านนับเอาชาติที่ได้สั่งสมบุญบารมีมาม่าสมควรดียวอะ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 เป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างนี้นะไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาวกเหมือนกันแหละ <c oughs> แต่นั้นการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้ไม่สมควรที่จะให้โอกาสอันนี้มันล่วงเลยไปเสียเปล่าเลยค <c oughs> วรพากันสั่งสมบุญบา ร, รมีให้แก่กล้า ให้เต็มความสามารถของตนเราเอาทุกเป็นทุนดังคำโครงโบราณท่านกล่าวไว้ว่าจะเป็นสุขก็เพราะเอาทุกเป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยคอยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกา ม, มารมณ์จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌาน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 ผู้ใดขี้เกียจขี้คร้านการศึกษาแล้วเรียนก็ไม่สำเร็จก็เลยกลายเป็นคนเกเรไปนะนั่นแหละผู้ใดอดกั้นทนทานศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากมาโดยลำดับเช่นนี้ <c oughs> ก็ย่อมได้สำเร็จผลในขั้นต้น หรือเมื่อสอบได้ตามต้องการแล้วอย่างนี้ต่อจากนั้นไปมันก็มีงานทําก็ได้งานทําไปเมื่อได้งานทําแล้วก็ยังต้องอาศัยความอดความทนต้องอาศัยสติปัญญาให้รอบครอบต่อหน้าที่การงานที่ตนได้นั้นไม่เช่นนั่นแล้วก็จะทําการงานนั้นให้เสียไป เมื่อ ง, งานเสียไฟมันก็ต้องหลุดจากหน้าที่การงานนั่นไปเป็นข้าราชการก็ต้องหลุดจากตาแหน่งนั่นไปนันโมดี้นดนะดังนั้นแหะใครมีหน้าที่การงานใดๆล้วนแต่เอาทุกเป็นทุนต้องอดกั้นทนทานต่อความทุกข์ยากลาบากในหน้าที่การงานนั้นๆหากว่าไม่เหลือวิสัยนะ อันนี้ถ้าเหลี้วิสัยมันก็จําเป็นอย่างว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ไม่ว่าทางโลกทางธรรมก็มีผ่อนผันทั้งนั้นเลยมาดีมันจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสม เ, เงินทองหาได้มาแล้วอย่างนี้ก็พยายามเกียรออกไปให้มันได้ไปฝากธนาคารไว้ให้ได้อย่าไปใช้ใจ่ายให้หมดเพราะเงินทองนี่ถ้าหากว่าอาศัย ใช้จ่ายโดยอาศัยตันหาแล้ววันละหมื่นบาทก็ยังไม่พออีกซ้ำเป็นไร อ, ะอ่ะถ้าไม่อาศัยตันหาใช้จ่ายแล้วถึงแม่จะได้มาพอประมาณมันก็ยังเหลือใช้อยู่ อ, อย่างนี้พยายามเจียดจ่ายเจียดไว้ให้ได้ฝากนาคารไปทีละเล็กทีละน้อยไปนานเข้ามันก็เป็นก้อนใหญ่ขึ้น เมื่อเป็นข้อใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะหมุนไปทำการค้าการขายหรือทำอะไรได้อยู่หากำไรเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆอยันนี้จะเป็นพระเนี่ยถ้าไม่ละกามารมแล้วอย่างนี้จะเป็นพระไม่ได้มันต้องสึกออกไปเป็นคารึงหัดเป็นธรรมดาอยู่เองนี่เนี่ย ถ้ายังมีจิตใจกำหนัดดินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆอยู่มากมายอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้ในเพศพรหมจรรย์นี่นะอยู่ไม่ได้จริงๆอ่ถ้าอยู่ได้ก็เป็นพวกพืชล่วงวินยัยสะสมบาปใส่ตัวเองไปไม่มีประโยชน์อะไรอเป็นอย่างนั้นผู้อยู่ได้โดย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 ภ้าเปียนพยายามเจริญกระสินชาญให้เกิดขึ้นจนได้บันลุสมาบัรแปดคือรูปฌานสี่อรูปฌานสี่เมื่อหากรักษาชาญสมาบัตรอันนี้ไว้ได้จนตลอดชีวิตละโลกนี้ไปแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมในพุท่ มุ่งหวังอยากจะให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษก็ต้องภาคเปลียนพยายามเจริญสินสมาธิปัญญาอันนี้ให้แก่กล้าขึ้นในกายวาจาใจให้ได้ไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเน็ดเหนื่อยแต่ปรับการใดหากไม่เหลือวิสัยแล้วเช่น อ, อย่างเพียนพยายามรักษาสินให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะ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 แล้วก็พยายามรักษาใจที่ตั้งมั่นอยู่แล้วนั้นให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอไปเอา้าทำอย่างไรล่ะเพราะว่าเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วมันต้องคิดอ่านกลางงานแล้วจะให้ใจมันตั้งมั่นอยู่เสมอไปได้ยังไงอะ่ะอันข้อนี้มันก็ควรรู้ไว้เอมันควรรู้จะอุปมาให้ฟัง เหมือนอย่างสมมติว่าเหมือนอย่างไฟฉายอย่างนี้นะเมื่อไม่ต้องการแสงสว่างแล้วก็ก็ไม่ต้องกดสวิคนั่นมันก็เป็นท่อนไฟฉายอยู่ธรรมดานี่แหละมันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ไฟฉายนั้นมันเสียหายอะไรนะมันก็ยังดีๆอยู่ทุกส่วนนั่นแหละ แต่ที่นี้เมื่อผูใ้ใดต้องการแสงสว่างจากไฟฉายนั้นไปกดสวิตช์เท่านั้นแสงสว่างมันจะพุ่งออกไปเลยจะมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนเมื่อไม่ต้องการแล้วอย่างนี้ก็กดสวิตช์อีกทีหนึ่งมันก็ดับแสงสว่างนั้นมันก็ดับไปจะเหลือแต่ท่อนไฟฉายอยู่ธรรมดาอย่างนั้นแหละแต่ไฟฉายนั้นมันก็ไม่เสียหายอ่ะมันยังใช้ได้ดีอยู่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 ไปตามสิ่งที่ชั่วร้ายต่าง ๆ, ๆนั่นนะเช่นอย่างว่าเรื <c oughs> ่องนี้เป็นความชั่วเป็นบาปอย่างนี้ไม่อินดีไปตามความชั่วเหล่านั้น <c oughs> แล้วสิ่งนี้เป็นความดีควรกระทํา บ, บาเพ็ญก็พอใจบาเพ็ญไม่เกลียด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 ให้มันสม่สำมันเสมอไปนี่เรียกว่ารักษาสมาธิไว้ได้สมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นตั้งมั่นอะไรตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดีตั้งมั่นต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆนี่คำว่าสมาธินะขอให้เข้าใจความหมายที่แน่นอน เมาผู้ดใดเข้าใจความหมายได้อย่างนี้แนละ้วก็ไม่หนักใจว่าเฮ้ยใจเรานี้ไม่อยู่ไม่มีสมาธิมันบ่นกันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่อย่างนั้นหรอกว่าจะประคับปร ะ, ประคองจิตนี้อย่าให้คิดไปทางอากุศลถ้ามันชอบอยากจะ ค, คิดก็ให้มันคิดไปในทางบุญกุศลทางที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้นี่มันก็ไม่ให้ทุกข์ให้โทษอะไรนี้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 กระดำหลีตรีตองด้วยน้ำใจอันมั่นคงอย่างที่ว่านั่นเลยพิจารณาหารูทางที่จะปรับปรุงการงานอันนั้นให้มันเจริญก้าวหน้าไปเช่นผู้มีหน้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์ถ่ายทอดศิลปวิทยาความรู้ต่างๆให้ลูกศิษย์ลูกหาอย่างงี้ก็ต้องพยายามใช้จิตใจที่อบรมให้ตั้งมั่นลงไว้ที่นี่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 เมื่อนักศึกษามีความรู้ความฉลาดมากอสอบได้เปอร์เซ็นต์สูงมีเป็นจํานวนมากอย่างนี้นั่นแหละเป็นเครื่องวัดผลงานของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของนักศึกษาทั้งหลายการฝึกขัดจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธินี่สามารถเอาไปใช้ได้อ ทุกกรณีเลยทุกหน้าที่การงานใครมีอาชีพอย่างไรใครมามีหน้าที่การงานอะไรเราก็อาศัยสมาธิจิตนี่แหละคิดค้นปรับปรุงการงานหน้าที่อันนั้นให้เจริญก้าวหน้าไปให้ได้นีลนะเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่ควรท้อถอยในการทําสมาธินี่นะผู้ใดฝึก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 เป็นเคารพก็สามารถรักษาหน้าที่การ ง, งานของต น, นนั้นให้เจริญรุ่งเรืองไปจเจริญด้วยลาบด้วยยศ ด, ด้วยสรรเสริญด้วยความสุขกายสบายใจผู้มีปัญญาแล้วย่อมรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยของร่างกายไว้ได้สิ่งใดที่อย่าเป็นภัยต่ออัตภาพร่างกายนี้ก็อย่าไปบริโภคมันเช่นอย่างของเศษติดไถ่โทษ ต, ต่างๆวันี้ ล้วนแต่เป็นภัยต่อร่างกายทั้งนั้นเลยอย่าว่าแต่สุรายาผินเฮโรอีนแม่แต่บุหรีน่นี่ก็เป็นภัยต่อร่างกายมากมายแต่คนติดมันเหลือเกินนะชอบกลิ่นชอบรสของมันสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้เจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วย่อมพิจารณาเห็นโทษของมันแล้วไม่ยากเลยออกได้สบายขอให้จิตนี้ออกแล้ว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 พัน้าใจออกแล้วนะมันมันออกได้่ ะ, ะมันขาวิธีการอยู่นั่นเนี่ยเคยได้พบคนบางคนมาเขาออกสุราด้วยการต้มใบฝรั่งนี่ใบสีดานี่นะรับประทานไปเรื่อยๆประมาณสักสองเดือนนี่ออกได้เลยน ะ, ะเบื่อเลยสุรานี่ยนะอย่างนี้แหละสำหรับ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 ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงบางทางสื่อสารมวลชนสารพัดเพื่อให้คนทั้งหลายได้อ่านพบได้ยินได้ฟังแล้วไปพิจารณาดูตนว่าตอนได้เอาสิ่งที่มีพิษมีภัยต่อร่างกายอย่างนั้นมาบำรุงมาซ่องเสรอยู่หรือไม่และเมื่อ เมื่อตนได้ทรอางเศษของเรานั้นอยู่ก็จะได้เห็นโทษของมันจะได้ละมันไปเสีย น, ะนี่มมนีควรพิจารณาดูเพราะนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนั่นเขาย่สามารถรู้ได้อันวัตถุธาตุต่างๆโมนีสามารถวิจัยได้ว่าสิ่งใดมีคุณมีโทษนี่ไม่มีผิดแน่นอนเลยผู้ใดปฏิบัติตามแล้ว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 งดเอาเฉยๆแล้วมันก็เลยเอาไปเลยเมื่อจิตนี้ไม่อยากแล้วกายก็ไม่อยากจนเท่าทุกวันนี้เลยร่วงเลยมาตั้งอาจจะได้ถึงยี่สิบปีแล้วแหละแลวปรากฏว่าสุขภาพของร่างกายนี้ดีวันดีคืนขึ้นนี่เห็นได้ชัดๆเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่ง ระมัดระวังอย่าให้ท้องปู่นี่ต้องพยายามชําระกระเพาะลําไส้นี่ให้สะอาดไม่ให้อาหารเก่ามันติดเกิดกังอยู่ในกระเพาะในลใําไส้ต้องพยายามรับประทานยาระบาย อ, อทําล้างกระเพาะลําไส้ให้สะอาดอย่างนี้นี่มันจะไม่เป็นสมุทฐานที่เกิดแห่งโรคไข้ไข้เจ็บเท่าที่ พิจารณาดูมาแล้วคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บอดอ อ, ก อ, อ, กอดแอดแอดเกิดขึ้นในร่างกายบ่อยๆนี่เนื่องจากว่าปล่อยให้อาหารเก่านั่นมันเกิดติดเกิดกังอยู่ในกระเพาะในลำไส้ทีละเล็กทีละน้อยแล้วมันก็เป็นเหตุให้อาหารใหม่ที่รับประทานเข้าไปนี่มันเกิดอืดเกิดเฟ้อเกิดเสียขึ้นตามกันไป ดังนั้นการที่ไปท้าดย่อยอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายก็ไม่ไม่สะดวกในเมื่ออาหารนี่มันไปเกิดบูดขึ้นในกระเพาะลำไส้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นสุขภาพของร่างกายก็จึงไม่สมบูรณ์ได้บางคนน ะ, ะแล้วก็ประกอบกับเศษของเศษติดเหล่านั้นเข้าไป เข้าไปอีกโดยเฉพาะบุหรีนี่อันสุรายามาหมูนันก็อาจจะมีเป็นบางครัง้งบางคราวเท่านั้นแต่ส่วนบุหรีนี่รู้สึกว่ามันสูบกันทุกวันทุกวันวันละหลายซองเข้าไปหล า, หลายหลายมวนเข้าไปอะอย่างนี้มันก็ไปทำลายเอาไว้ว่าภายในนั้นให้เสื่อมเสียไปมากมายทีเดียว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 ลำบากเต็มทีนี่แหละการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติกายวาจาใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะั่นเมื่อทำจิตให้สงบลงไปแล้วมันเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วมันรู้จักวนะสิ่งใดที่ควรทำสิ่งใดที่ไม่ควรทำสิ่งใดที่ทำลายความสุขความสงบของจิตใจสิ่งใดที่เป็นเครื่องสนับสนุนความสุข ความสบายความสงบความจิตใจมันก็รู้เมื่อมันรู้แล้วสิ่งใดควรละมันก็ละได้สิ่งใดควรทำมันก็ทำได้ตลอดที่จเจริญด้วยคุณธรรมสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา